เจ็สิความเป็นจริงของโลกเป็นของชั่วคราวทั้งหมดวงเล็บเปิดสิบเกรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดจริงๆที่ไหนๆมันก็เป็นโลกโลกุตตระไม่ใช่ว่าอยู่ในวัดโลกุตตะระที่พ้นโลกจริงๆพ้นที่จิตของเราตัางหาถ้าจิตเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงจิตก็จะพ้นจากโลกถ้าจิตไม่เข้าใจโลกจิตก็วนอยู่กับโลกโลกเป็นของที่เป็นคู่ๆตลอดเวลา โลกเป็นของที่เป็นคู่คู่ส่วนโลกุตระหรือธรรมนั้นเป็นหนึ่งโลกเป็นคู่คู่เช่นในโลกนี้มีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์โลกมันมีเป็นคู่คู่อยู่อย่างนี้แหละมันจะพลิกไปพลิกมามีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีความทุกข์ตามมาแล้วมีคนชมแป๊บเดียวก็มีคนด่าแล้วมีชื่อเสียงเกียรติยศนะบางทีก็เสียชื่อบางทีแข็งแรงมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม อยู่ๆเป็นมะเร็งตายไปแล้วแป๊บเดียวถ้าเราเข้าใจสิ่งซึ่งเป็นคู่เราจะเข้าใจสิ่งที่เป็นหนึ่งสิ่งซึ่งเป็นคู่มีสุขมีทุกข์มีกุศลมีอกุศลเป็นคู่คู่ทั้งหมดเลยจิตของเราก็วนเวียนเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวเป็นอกุศลบ้างเช่นมีโกรธแล้วก็มีไม่โกรธมีโลภแล้วก็ไม่โลภมีหลงแล้วก็ไม่หลงมีฟุ้งซ่านแล้วก็มีหดหู่ มีซึมไปมีรู้เนื้อรู้ตัวสดใสให้เราเข้าใจโลกหมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้เราคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปดูไปจนเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบที่เราเห็นที่เราสัมผัสทั้งทางกายทั้งทางใจเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยพอเข้าใจอย่างนี้จิตมันก็ถอดถอนเอาความยินดีินร้ายออกไป เจอความทุกข์ก็ไม่ยินร้ายรู้ว่าชั่วคราวเจอความสุขก็ไม่ยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวจิตหมดความยินดีจิตหมดความยินร้ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิตที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งมันเป็นหนึ่งเป็นจิตหนึ่งจะเห็นธรรมะที่เป็นหนึ่งธรรมะที่ไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงธรรมะที่เป็นหนึ่งคือนิพพานมีอันเดียวแหละที่เป็นหนึ่งคือนิพพาน นอกนั้นก็เป็นโลกนั่นแหละให้เราคอยดูของเราทุกวันทุกวันคนในโลกนี้วิปลาสวิปลาสในภาษาไทยแปลว่าบ้าจิตใจของคนแต่ละคนเป็นบ้าอยู่ไปหลงเอาของที่มันไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานี่เรียกว่าบ้าอยู่ฉะนั้นจิตใจเราจะหลงอยู่อย่างนี้ทำไมจิตใจเราสะสมแต่ความบ้าความรู้ผิดความเข้าใจผิดเพราะเราสะสมของเรามาเองไม่มีใครบันดาล น, นะ สังเกตไหมว่าเราสะสมความเห็นผิดตลอดเวลาความเห็นผิดนี่เราไม่รู้เลยว่าเป็นความเห็นผิดเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เกิดเราเลยนึกว่าเห็นถูกแล้วอย่างเราเห็นคนคนนี้เป็นคนนี่เราว่าเห็นอย่างนี้ถูกมีคนแต่งกลอนเอาไว้นะว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่กำเนิดคนย่อมเป็นคนทุกคนไป จะมั่งมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคนปิดเครื่องหมายคำพูดนี่มันก็แต่งแบบวิปลาดใครแต่งไม่รู้นะเกิดใหญ่โตหลวงพ่อต้องขออภัยเอาไว้ก่อนของคนใหญ่คนโตแต่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่โดยเนื้อหาสาระก็คือสะท้อนให้เห็นว่ามันมีคนถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะเห็นว่าไม่มีคนหรอกแต่จะว่าเขาแต่งถูกก็ถูกเหมือนกันเขาบอกว่าเห็นคนนั่นแหละคนเราเห็นคนอื่นเป็นคนเราก็ยังเป็นคนอยู่ ถ้าเราเห็นเขาไม่เป็นคนเขาเป็นรูปเป็นนามไอ้นี่ก็เป็นรูปนามเหมือนกันไม่ใช่คนแล้วคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่ไม่ใช่คนแล้วไม่มีคนการที่เห็นคนเป็นคนเนี่ยวิปลาสเห็นคนเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยของจริงพวกเราเห็นแต่ของปลอมเห็นแต่ของไม่จริง เราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตั้งแต่เกิดแล้วความจริงสะสมมาก่อนเกิดแต่ว่าข้ามภพข้ามชาติหลายคนจำไม่ได้มันก็พูดยากอธิบายยากตั้งแต่เกิดพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็มองคนอื่นก่อนมีเด็กคนไหนพอลืมตาขึ้นมาก็ย้อนมาดูใจตัวเองตั้งแต่เกิดมีแต่พระพุทธเจ้านะเสร็จอุบัติขึ้นในพระคันท่านก็รู้เนื้อรู้ตัวมีสติตั้งแต่อยู่ในท้องนอกนั้นไม่มีหรอก นอกนั้นมีแต่ดูออกนอกเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่สิ่งอื่นหลวงพ่อเคยเจอคนคนหนึ่งเขามีสติตั้งแต่อยู่ในท้องตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่คนนี้เขาจำได้ว่าตอนอยู่ในท้องเนี่ยจิตใจเต็มไปด้วยความกลัวเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ในที่มืดมืดที่แคบแคบอย่างนี้อยู่ตัวคนเดียวมืดมืดเขาบอกว่าพอคลอดออกมาเห็นแสงสว่างขึ้นมาทีแรกตกใจร้องไห้ขึ้นมาสักพักหนึ่งตั้งหลักได้ พอพยาบาลเอาเขาไปอาบน้ำไปเช็ดตัวผ่มผ้าให้อะไรให้พอรู้สึกอบอุ่นมีคนมาคอยประคบประงมนะเขาบอกอัตตาเขาเกิดขึ้นมาเลยเขาเห็นเลยใจมันพองขึ้นมาแล้วว่าโอ้นี่คือกูละ่ะนี่แหละตัวเราแหละนี่พวกที่เขาสติเร็วเขาจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนี่พอมีสติขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นรู้ทันตัวเองมันเกิดมาณนะอัตตาขึ้นมาเห็นไหม มันสะสมความเป็นตัวกูตัวเรามันสะสมตลอดวันเราจะทำอะไรอะไรนะเมื่อเราฝึกสติไปช่วงหนึ่งจะเห็นเลยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนองความมีตัวกูเพื่อรักษาความมีตัวเราอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรกระทั่งจะทิ้งขยะก็ทิ้งด้วยความที่ใจมันลำพองนี่แหละเรานี่ทิ้งท่านิเทศจะทำอะไรมันมีตัวเราแทรกเข้าไปตลอดเลยนี่เราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ได้